หายหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้เสด็จจาริกไปในแคว้นกุรุพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่เสร็จถึงนิคมชื่อว่าตุละโกติตะพรามและกะหบดีชาวนิคมนั้นได้สดับข่าวและเกียรติศัพท์อันงามของพระศาสดาว่าเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นต้นทรงแสดงธรรมมีคุณงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศภรมาจันทร์ พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยประการทั้งปวงการเห็นพระอาหารหันต์เช่นนั้นเป็นการดียิ่งนักพรามณและกะหบดีชาวนิคมนั้นดำริดังนี้แล้วก็ชวนกันไปเฝ้าพระสากยมุนีบางพวกถวายบังคมแล้วนั่งอยู่เฉยบางพวกเอวยวาชาปราศัยบางพวกประคองอัญเชลีและบางพวกประกาศชื่อและโครดของตน รัฐธาค็เจ้าทรงแสดงธรรมให้ประชาชนครั้งนั้นได้เห็นแจ้งเข้าใจให้สมาทานอาถรรพ์ร่าเริงและชื่นบานเวลานั้นชายหนุ่มผู้หนึ่งมีชื่อว่ารัฐบาลเป็นบุตรของผู้มีสกุลในนิคมนั้นนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ด้วยจิตเรื่มใสเกิดความคิดขึ้นว่าทำอย่างไรหนอเราจะได้รู้ทั่วถึงธรรมที่เพราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้ว การที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยประการทั้งปวงนั้นผู้ครองเรือนทำได้ยากฉนัยหนอเราพึ้งปลงผมหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อคนทั้งหลายอื่นที่ฟังพระธรรมเทศนากลับไปแล้วรัฐบาลกุลบุตรเข้าไปเฝ้าประผู้มีประภาคถึงที่ประทับกราบทูลถึงความเดิมดีของตน และขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธองค์พระศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนรัฐบาลมานาบิดาอนุญาตการบรรพชาอุปสมบทของท่านแล้วหรือยังไม่ได้ขออนุญาตเลยพระองค์ผู้เจริญพระธถามโคเจ้าส่งสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยความกรุณามายัางรัฐบาลคุณตบุตรพร้อมตรัสว่ารัฐบาล ตถาคตไม่อาจบวชกุลบุตรที่มารดาบิดาไม่ได้รอนุญาตรัฐบาลกุลบุตรผู้มีดวงเนตรอ่อนโยนแต่ว่าแฝงไว้ซึ่งความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจได้กราบทูลพระสุคตขึ้นว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าจะกระทําทุกอย่างเพื่อให้มารดาบิดาอนุญาตให้ออกบวชให้จนได้พระเจอมุนีทรงแสดงอาการดุษณีด้วยความเจนจบในเหตุการณ์ ทั้งในอดีตและอนาคตฝ่ายรัฐบาลลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทมพทักศินแล้วกลับสู่เคหะของตนเข้าไปหามารดาบิดาแจ้งความคิดของตนให้ท่านทั้งสองฝั่ง้วยอาการตกตะลึงทั้งสองจึงกล่าวว่าลูกเ อ, อ๋ยจาเป็นบุตรคนเดียวของพ่อแม่เป็นที่รักดังดวงใจเจามีแต่ความสุขได้รับเลี้ยงดูมาอย่างเป็นสุข ไม่เคยได้สัมผัสกับความทุกข์เจ้าจะทนต่อความลาบากในเพศปรัรญชชตได้อย่างไรเจ้ายัางหนุ่มมีเกสาดามเป็นมันขับจงหาความสุขเยี่ยงคารวะจงบริโภคจงอยู่ให้บำเรล อ, อย่างสำราญและทำบุญไปด้วยก็ย่อมได้เราทั้งสองอนุญาตให้เจ้าบวชไม่ได้ไม่อยากพลัดพรากจากเจ้าแม้ชั่วครู่เดียวจะกล่าวไปยายถึงจะยอมให้เจ้าไปบวชซึ่งเป็นการแยกกันกินแยกกันอยู่ แม่มจุราชแห่งความตายพ่อแม่ก็ไม่ปาถนาให้มาพรากตัวเจ้าไปสิ่งใดเล่าที่จะมามีอำนาจดึงลูกไปจากแม่ทั้งทั้งที่เราทั้งสองยังมีชีวิตยอยู่รัฐบาลกุลบุตรเฝ้าอ้อนวอนมารดาอยู่หลายครั้งแต่ว่าท่านทั้งสองก็ยืนการอย่างเดิมและกล่าวเพิ่มเติมว่าลูกเอ๋ยเชื่อแม่เถอะการบวชนั้นไม่ประเสริฐอะไรเลย ปรารถนาทำความดีอยู่ในคารวาะก่อทาได้และอาจจะทําได้มากกว่าที่ได้ทำไปเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องอํานวยให้ทําความดีได้โดยสะดวกสมบัติของเรานั้นมีอยู่มากมายใช้ไปอีกกี่ชั่วคนก็ไม่รู้จะหมดข้าแต่ท่านมารดาพูดถึงทรัพสมบัติซึ่งเรากระยิมว่ามีอยู่มากนั้นเมื่อนําไปเทียบกับสมบัติบุรมจักรหรือราชสมบัติของพระาศาสดาแล้วเป็นส่วนเล็กน้อยเสียเหลือเกิน พระองค์มีสมบัติมากมายถึงป่านนั้นก็ยังทรงสละออกมโนดได้พูดถึงความสุขเล่าลูกได้ฟังมาจากพระศ า, าสดาพระองค์นั้นว่าโลคิยสมบัติในโลกิยสุขเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนถาวรมีความทุกข์ความร้อนใจซ่อนเร้นพั่วพันธุ์อยู่ด้วยเสมอสู้อริยทรัพย์และโลกุตตรสุขไม่ได้พูดถึงการทําความดีจริงอยู่จะอยู่ในเพศบรประชิตหรือกรหัตก็ทําความดีได้ แต่ว่าโอกาสที่จะกําจัดทุกให้สิ้นเสร็จเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงนั้นบนรรปะชิตย่อมมีโอกาสมากกว่าเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่ามิฉนั้นแล้วเหตุชะไหนเล่าพระบรมศาสดาผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขทุกอย่างเยี่ยงราชโ อ, อรสจะพึงสละโลกียสมบัติและโลกียสุขออกบวชได้ข้าแต่ท่านมารดาลูกได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะออกบวชให้ได้หรือมิฉนั้นก็ความตาย ลูกจะเลือกเอาอย่างใดยอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ถ้ามารดาวิดาไม่ปาถนาจะเห็นลูกในเพศบัรญชิตก็คงจะได้เห็นความตายของลูกเป็นแน่แท้ท่านทั้งสองคเนน้ําใจว่าเด็กหนุ่มอย่างรัฐบาลก็คงไม่ได้ตั้งใจอะไรจริงจนะังนักเพียงแต่ว่าตื่นไปแค่ชั่วคราวเท่านั้นแล้วคงจะกลับใจเองจึงไม่ได้พูดอะไรอีกท่านทั้งสองเข้าใจผิด รัฐบาลกุลบุตรผู้มีบา ร, รมีธรรมเต็มเปี่ยมแล้วเป็นผู้ที่มีพบสุดท้ายไม่มีอะไรสามารถเหนี่ยวรังไว้ได้ประหนึ่งผลไม้ที่สุกเต็มที่มีขั้วเหี่ยวจะต้องลนอย่างไม่ต้องสงสัยไม่เห็นว่าไม่อาจจะเข้าใจกันได้โดยวาจารัฐบาลกุลบุตรจึงตัดสินใจขออนุญาตมารดาบิดาอดอาหารนอนบนพื้นปราสาทอันปราศาจากเครื่องราชตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่า ตรงนี้แหละจะเป็นที่ตัดสินการบวชหรือการตายของเราล่วงไปเจ็ดวันรัฐบาลไม่ยอมแตะต้องอาหารเลยแม้แต่น้อยท่านทั้งสองมีความกังวลใจห่วงใจต่อการกระทาของลูกเป็นอันมากแต่ว่าโดยทิฏฐิประการหนึ่งและด้วยความอรัยรักอีกประการหนึ่งจึงทำให้ท่านทั้งสองทำใจแข็งไม่ยอมอนุญาตให้รัฐบาลออกบวชมาเฝ้าปลอบประโลมให้รัฐบาลบริโภคอาหาร และหาความสุขเยี่ยงคนหนุ่มทั้งหลายแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้สนใจเลยมุ่งมั่นแต่บรรพชาอุปสมบทเท่านั้นสหายของรัฐบาลกนบุตรได้ทราบข่าวเรื่องนี้พากันมาช่วยพูดให้รัฐบาลเปลี่ยนใจแต่ก็หาสําเร็จไม่จึงชวนเข้าไปหามารดาบิดาของรัฐบาลอ้อนวอนท่านทั้งสองให้อนุญาตรัฐบาลออกบวชโดยให้เหตุผลว่าทาไมยินยอม รัฐบาลกุลบุตรจะต้องตายไปแน่แท้ถ้ายินยอมให้บวชท่านมารดาบิดายังพอมีโอกาสได้เห็นเขาในเพศบัณชิตรัฐบาลนั้นเคยมีความสุขอาจทนอยู่ในเพศนั้นได้ไม่นานนักสุดท้ายก็คงจะกลับมาอย่างเรือนของตนเองขอได้โปรดอนุญาตให้เขาบวชเถิดมารดาบิดาเห็นสมจริงตามเหตุผลแห่งสหายของลูกจึงยินยอมและกล่าวว่า ลูกเ อ, อ๋ยพ่อและแม่รักเจ้าดังดวงใจไม่อาจทนดูความตายของเจ้าต่อหน้าต่อตาได้ลุกขึ้นเถิดลูกรักเราทั้งสองอนุญาตให้เจ้าบวชเมื่อจะบวชแล้วขอให้มาเยี่ยมเราบ่อยๆว่าแล้วท่านทั้งสองก็คลั่ำครวญด้วยความอะไรรักประหนึ่งว่ารัฐบาลจะพาดวงใจของท่านทั้งสองไปด้วยอันปุตตะวิปโยคนั้นมีพิษรุนแรงเพียงใด ยากที่บุคคลทั่วไปจะทราบได้นอกจากท่านผู้มีบุตรสุดที่รักเท่านั้นแต่เมื่อคำนึงถึงความปรารถนาอันรุนแรงของบุตรแล้วมารดาบิดาก็มักจะตัดความปรารถนาของตนได้เสมออะไรเล่าคือความสุขของพ่อแม่ยิ่งกว่าได้เห็นลูกมีความสุขอะไรเล่าคือความสุขทุกข์ของบิดามารดายิ่งกว่าได้เห็นบุตรตกระกรรมลาบากลูกดีเป็นความชื่นใจของพ่อแม่เป็นที่สุด รัฐบาลได้ยินคำอนุญาตของมารนาบิดาดีใจเป็นที่ยิ่งลุกขึ้นกราบท่านทั้งสองด้วยความเคารพรักและทราบซึ้งในพระคุณของทั้งสองเขาบำรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรแล้วจัดเครื่องอัถบริขารแล้วออกจากเรือนมุ่งไปสู่ที่ประทับของพระาศาสดาในขณะที่มารดาบิดาและปิจชนอื่นๆมีหน้าหนองด้วยน้าตานั่นเอง เขาได้บวชสมปราถนามีความชื่นชมกับเพศใหม่ที่สงบสงัดจากบาปอกุศลรู้สึกโปร่งใจปราศจากความระแวงภัยในอันตรายที่จะพึงมีเยี่ยงคราวาดทั่วไปเมื่อพระรัตบาลออกบวชได้ครึ่งเดือนพระาศาสดาทรงละทุละโกตติตะนิคมไว้เบื้องหลังสเสร็จจาริกไปสู่นครสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลประทับอยู่ณนเะชตวนาราม บานลีกออกจากหมู่อยู่แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างมอบกายถวายใจกับพระธรรมไม่อาทรต่อชีวิตไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่กุลบุตรผู้บวชปรารถนากันยิ่งนักท่านได้เห็นได้รับตัวตนเองด้วยปัญญาของตอนเองรู้ชัดว่าบัดนี้ความเกิดของเราสิ้นสุดแล้ว จิจที่ควรทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอาหารหันต์ทั้งหลายเมื่อได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระราชบาลระลึก ถ, ถึงปฏิญญาที่ให้ไว้แก่มารดาบิดาจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลลาไปเยี่ยมมารดาบิดาพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูจิตใจของพระราบาลทรงทราบว่ามีจิตใจมั่นคงไม่แปรปรวนแล้ว จึงทรงอนุญาตตามความประสงค์ครั้นจาริกถึงทุลละโกตติตานิคมแล้วพระรัฐบาลเข้าไปพักอาศัยณนะ์พระราชจุตยานชื่อพิคาจิระของพระเจ้าโกรพยักษเวลาเช้าท่านได้ถือบาดและจีวรไปบินทบาทเที่ยวบินทบาตทในทุลละโกตติตานิคมตามลําดับต่อกได้เข้าไปยังนิเวศของบิดาขณะนั้น ท่านบิดากําลังให้ช่างกลระบกสางผมอยู่ที่ซุ้มประตูกลางได้เห็นพระรัฐบาลกําลังเดินมาจําไม่ได้จึงเปลยขึ้นกับช่างกลระบกว่าสมณะศิรษะล้นพวกนี้แหละที่ชักนํอาอบุตรสุทธิรักคนเดียวของเราไปไปบวชเสียแล้วพระรัฐบาลไปยืนอยู่อย่างสํารวมที่ประตูเรือนไม่ได้รับการต้อนรับไม่ได้อาหารได้แต่คําด่าว่าเสียสีเท่านั้นท่านได้เดินกลับออกไปโดยวิธี อย่างสำรวมทารองเดียว ก, กันกับตอนที่เข้ามาจิตใจของท่านได้พ้นจากความวันไหวในโลกกระทำแล้วขณะที่พระรัฐบาลเดินออกไปภายนอกนั้นก็มีหญิงรับใช้แห่งญาติของท่านคนหนึ่งกำลังนำขนมที่บูดไปทิ้งพระรัฐบาลได้เห็นแล้วกล่าวกับนางว่าน้องหญิงถ้าท่านจะทิ้งสิ่งนั้นก็ขอจงทิ้งลงในบาศของข้าพเจ้าเถิด นางรับชายจึงเทขนมลงในบาตพร้อมกับสังเกตลักษณะของพระเถระจําลักษณะมือเท้าและเสียงได้จึงได้รีบกลับไปหามารดาของท่านรัฐบาลเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดมารดาของท่านตื่นเต้นดีใจยิ่งนักพูดกับหญิงนั้นว่าถ้าข้อความที่เจ้าพูดนั้นเป็นความจริงเราจะทําเจ้าให้เป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสติดต่อไปดังนี้แล้วก็รีบไปหาผู้เป็นบิดาของลูกกล่าวว่า รัฐบาลรัฐบาลลูกของเราได้มาถึงที่นี่แล้วขณะนั้นพระรัฐบาลกํกำลังฉันขนมบูดอยู่ใกล้ฟาเรือนแห่งหนึ่งท่านบิดาได้เข้าไปหาท่านเมื่อเข้าใกล้ก็จาได้เห็นอาการของลูกเช่นนั้นน้ำตาก็หนองหน้ากล่าวว่าพ่อรัฐบาลคนอย่างพ่อควรเรลิดเพลินนั่งกินขนมบูดเรือนของท่านก็มีมารดาบิดายังมีชีวิตอยู่ ฉนัยจึงประพฤติตนเหมือนกับคนที่ห่างเหินไม่รู้จักกันพระรัฐบาลเงยหน้าขึ้นหน่อยหนึ่งมองดูขหาบดีผู้บิดาและขหาปตานีผู้มารดาแล้วกล่าวว่าอัตมาภาพหลีกออกจากเรือนแล้วเป็นอนาคาริกะมุนีผู้ไม่มีเรือนเมื่อเป็นดังนี้จักอ้างเอาเรือนใดเล่าเป็นของตนเมื่อสักครู่ใหญ่ที่ผ่านมานี่เองอัตมาภาพไปยืนที่ประตูเรือนของท่านแล้วไม่ได้รับการต้อนรับ ไม่ได้คำตอบได้แต่เพียงคำด่าว่าเสีษสีเท่านั้นขาหา บ, บดีระลึกได้ถึงสมณะรูปหนึ่งซึ่งตนเห็นในขณะที่ให้ช่างกระระบบสางผมอยู่จึงกล่าวว่าท่านรัฐบาลท่านหรือที่เดินผ่านไปในขณะที่พ่อกําลังสางผมอยู่นั่งใช่แล้วอัตมาภาพเองขอประธานโทษเถิดท่านผู้เจริญพ่อจำลูกไม่ได้จริงๆถ้าพ่อจาได้ชาไหนเล่าจะไม่ต้อนรับลูก งเถิดเรื่องได้ล่วงเลยมานานแล้วอย่านำมาปลาลมเลยฝ่ายข้าปตานีผู้มารดาเข้ามาสวมกอดเท้าของพระลูกชายคล่าครวญลำพันธ์ต่างๆอย่างน่าสงสารเวทนายิ่งนักเช่นลูกเอย๋ยตั้งแต่วันแรกที่ลูกจากไปใจของแม่เฝ้าแต่ะระลึกถึงไม่ได้วางเว้นแม้แต่วันเดียวไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรใจของแม่คอยพวักวงถึงแต่ลูก ดวงหน้าของลูกได้ลอยเด่นอยู่ในห่วงนึกของแม่ตลอดเวลาแม้หลับก็ยังฝันฝันว่าลูกของแม่กลับมาหาแม่บัดนี้ความฝันของแม่กลายเป็นความจริงแล้วแม่ปราบปลื้มเหลือเกินแต่แม่เกรงว่าความปราบปลื้มของแม่นั้นจะไม่ยั่งยืนเมื่อคำนึงว่าลูกของแม่อาจจะจากแม่ไปอีกพระรัฐบาลทอดสายตามองดูโยมนา อย่างปลานีและมีธรรมสังเวชแบบอริยะไปถลุกรักท่าบิดาพูดขึ้นเมื่อทุกคนเงียบอยู่ไปเรือนของเราคาธนิยะโพชญิยาหารมีอยู่บริบูรณ์เหมือนสมัยเมื่อลูกยังอยู่ด้วยอาการที่เคร่งขรึมแต่มีกระแสเสียงที่แจ่มใสพระรัฐบาลตอบว่าจ่าเลยก็หาบดีวันนี้อัตมาภาพทาพัฒกิจเสร็จแล้ว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 และทองกองหนึ่งแต่ละกองสูงท่วมศรีรษะให้ปิดกองเงินและกองทองนั้นด้วยเสือลำแพนแล้วให้ปูลาดอาสนะไว้ท่ามกลางขึงม่านไว้โดยรอบเรียกหญิงอดีตพญายาของพระรัฐบาลมาทุกคนมาแนะนําว่าเมื่อสมัยที่รัฐบาลบุตรของเราคลองเรือนั้นท่านชอบเครื่องประดับชุดใดของเจ้าเจ้าจงประดับชุดนั้นในวันพรุ่งนี้ หญิงเหล่านั้นรับคําของบิดาอย่างง่ายดายทุกคนได้เตรียมเครื่องแต่งตัวและพระตราพรที่เห็นว่าดีที่สุดเพื่อล่อตาล่อใจพระรัฐบาลนางหารู้ไม่ว่าจิตใจของพระรัฐบาลนั้นอันอารมณ์ ใ, ใดๆจะล่อหลอกให้วันไหวไมิได้อีกแล้วแต่แม้นางจะทราบการได้แต่งกายสวยงามก็เป็นความรื่นรมย์ใจของหญิงโดยธรรมชาติการได้เครื่องประดับ จึงเป็นสิ่งที่ชูใจของสตรีทั่วไปแม้จะมียกเว้นอยู่บ้างก็ไม่มากนักคลั้นล่วงราตรีท่านเจ้าของบ้านทั้งสองได้สั่งให้ตกแต่งขาธิยะโภชนียาหารอย่างพราณิตเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คนไปบอกพัตการแก่พระรัฐบาลพระเถระไปะยังนิเวศแห่งวิดาตนนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้อย่างดีท่ามกลางกองเงินและของทอง บิดาของท่านได้สั่งให้เปิดกองเงินและกองทองนั้นพร้อมกล่าวว่าท่านรัฐบาลทรัพย์กองนี้เป็นของมารดากองนี้เป็นของบิดาและก่อกองนี้เป็นของปู่ทั้งหมดรวมกันนั้นเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวขอท่านได้บอกคืนสิขามาเป็นคาหัตใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นอย่างเพลียจะทําบุญทําฐานบังก็ได้ ถ้ารัฐบาลมองดูกองเงินกองทองด้วยสายตาที่ไม่อะไรใหญ่ดีกล่าวว่าท่านวีดาทรัพย์สมบัติเหล่านี้อาตมาภาพไม่เคยเห็นก็หาไม่ได้อาตมาภาพเคยได้ทราบและเคยเห็นตั้งแต่ก่อนบวชแล้วมันยังไม่สามารถเดี่ยวรั้งอาตมาไว้ได้ก็ฉนัยหล่าบัตรนี้อาตมาภาพจะมานิยมยินดีกับสิ่งที่ไร้สารานี้บัตรนี้อาตมาภาพได้รับสิ่งที่มีรสเลิกว่า คือธรรมรสแล้วขอทรัพย์สมบัติเหล่านี้จงเป็นของผู้ที่มีความต้องการด้วยทรัพย์สมบัตินั้นเถิดอัตมาภาพไม่ต้องการมาดากล่าวว่าเหตุฉไหนท่านจึงกล่าวว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งไร้สาระมันเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายสแสวงหากันนักไม่ใช่หรือถ้ามันไร้สาระจริงแล้วเหตุไรคนจึงสแสวงหากันนักถึงกับต้องแย่งชิงฆ่าฟันกันก็นกมาก ก็เพราะเหตุที่คนทั้งหลายไร้ปัญญาจากสุขมีความคิดวิประลาสคลาดเคลื่อน <c oughs> เห็นสิ่งที่ไร้สาระว่าเป็นสาระและกลับเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระจึงหมกมุ่นพัวพันอยู่กับอสาระทอดทิ้งสิ่งที่เป็นสาระเสียเหมือนคนเขาเข้าไปในป่าต้องการแก่นไม้แต่ว่าเอากิ่งและใบไปด้วยสําคัญว่าเป็นแก่นเขาย่อมไม่สามารถสําเร็จประโยชน์ ด้วยกิจที่ต้องการได้แก่นไม้ได้อันหนึ่งท่านทั้งสองกําลังประสบทุกขโทรมรัตอยู่บัดนี้ก็เพราะทรัพย์สมบัตินี้ไม่ใช่หรือถ้าทรัพย์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แท้จริงแล้วเไห น, นจึงให้ความทุกข์แก่ท่านถึงป่านี้จึงอยู่ชาวโลกย่อมต้องการทรัพย์สมบัติเลี้ยงชีพมันมีประโยชน์แต่ไม่รู้จักใช้แต่ถ้ามีมาแล้วยอมตกเป็นทาสของมัน ก็ต้องทุกร้อนวิตกกังวลด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆไม่รู้จากสิ้นสุดจะมีประโยชน์อันใดถ้าโยมทั้งสองเดือดร้อนนักเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัตินี้ให้ขนไปทิ้งแม่น้ำเสียจะได้ปลอดโปร่งสบายกายสบายใจอันหนึ่งเล่าคนอนาถาไร้ที่พึ่งอดอยากแครนแค้นในบ้านเมืองนี้ก็ยังมีอีกมากนักถ้าท่านทั้งสองจะแจกจ่ายเอื้อเฟื้อแกเขาเหล่านั้นบ้างชื่อว่า ได้ทำทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ย่อมได้รับความเชื่อนสุขเป็นสุขเป็นเครื่องตอบแทนอาตมาภาพคิดว่าดีกว่าที่จะเก็บไว้เป็นกองพนันเทินทึกอย่างนี้ซึ่งในที่สุดโยมทั้งสองก็จะต้องละทิ้งทรัพย์ทั้งพวงไปเมื่อมั จ, จุราชความตายมาถึงท่านผู้มีพระคุณจงรีบเถิดรีบขวนขวายแปลสิ่งที่ไม่มีสาระให้เป็นสาระ ทำสิ่งที่ติดตามตนไปไม่ได้ให้ติดตามไปได้ทุกภพทุกชาติท่านเอ๋ยจะ ก, กล่าวใจถึงทรัพย์สมบัติภายนอกเล่าแม้แต่ร่างกายอันเป็นที่ยึดมั่นหวงแหนว่าเป็นของเรามาตั้งแต่ปดมวัยจวบจนสิ้นลมปราณเพราะความชราก็ไม่มีใครสามารถจะนําไปได้ต้องทิ้งไว้เป็นเหยื่อของหมู่นอนและหมู่วิหกโน ก, กาหรือไม่ฉะนั้นก็ประเพงบัดนี้ ท่านทั้งสองอัญชรามาเยือนแล้วเหมือนใบไม้เหลืองจวนจะหลน่นขอให้รีบทำที่พึ่งแก่ตนเถิเดเมื่อได้ฟังดังนี้พัญญาเก่าของพระราบาลคล่ำครวนมาจับที่ข้อเท้าของท่านแล้วรำพึงว่าท่านผู้เจริญนางฟ้าทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นเช่นไรท่านจึงไม่สนใจใยดีต่อโลกมนุษย์เสียเลย ดูก่อนน้องหญิงเราไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อต้องการนางฟ้าแต่ว่าเราประพฤติพรหมจรรย์เพราะต้องการความบริสุทธิ์หมดจดจากความเศร้าหมองทั้งปวงเมื่อได้ยินดังนี้หญิงเหล่านั้นถึงกับสลบล้มลงด้วยความเสียใจอันหนึ่งนางได้ยินคำว่าน้องหญิงจากปากของพระรัฐบาลอันเป็นการแสดงว่า ท่านไม่มีความเยื่อใยแล้วทำให้นางมีความรู้สึกทันทีว่าการที่จะให้พระรัฐบาลหวนกลับมากรองเรือนนั้นเป็นอันสิ้นหวังแล้วท่ามกลางใบหน้าที่ชุ่มโชคไปด้วยน้ำตานั่นเองพระรัฐบาลเอ่ยขึ้นว่าดู ก, กรขหาพอดีถ้าจะพึงให้โูชนะแก่อัตมาภาพก็จงให้เถิดอย่าให้อัตมาภาพต้องลำบากเลย โดยการเตือนนี้ทุกคนมีสติระลึกได้ว่าได้ดิมนพระรัฐบาลมาฉันอาหารที่บ้านมิได้ดิมนมารับทรัพย์มรดกจึงได้ช่วยกันถวายอาหารอันาราณีต ท, ที่ได้เตรียมไว้แล้วด้วยมือของตนของตนพระรัฐบาลฉันอาหารเสร็จแล้วชักมือออกจากบาทได้ยืนขึ้นเพื่อเตรียมจะไปก่อนจากท่านได้กล่าวถ้อยคาอันเป็นเครื่องเตือนใจไว้ว่าดูเอาเถิด ดูอัตภาพอันคุมกันเข้าอย่างวิจิตรแต่มีความกระสับกระสายกระวนกระวายไม่ยั่งยืนมั่นคงเป็นที่ประสานขึ้นแห่งกระดูกมีหนังเป็นเครื่องหุ้มหอ่อแพร่วด้วยเสื้อผ้าอภารรเป็นที่ดำ่เริถึงของคนเป็นอันมากแต่ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ต้องการสแสวงหาฝั่งคือ น, นิพพานท่านเป็นด่างพลาเนื้อวางบ่วงไวแต่เนื้อไม่ติดบ่วงพลาเนื้อจึงคล่ำครวนเสียใจ เราเป็นเหมือนเนื้อตัวนั้นกินแต่อาหารแล้วก็จากไปกล่าวดังนี้แล้วพระรัฐบาลจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรัพยะนั่งพักกลางวันที่โคนไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นพระเจ้าโกรัพยะรับสั่งให้พนักงานรักษาราชอุทยานตกแต่งพระราชอุทยานให้สะอาดเรียบร้อยจะเสด็จไปทอดพระเนตร ในขณะที่เจ้าพนั ก, การกําลังตกแต่งพระราชอุทยานอยู่นั้นได้เห็นพระรัฐบาลนั่งอยู่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกรพยะทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าปัจจบันนี้พระรัฐบาลบุตรแห่งตระกูลผู้ดีในทุนลากโกตติตนิคมนี้ซึ่งพระองค์ทรงสรรเสริญอยู่นเนืองกําลังนั่งพักอยู่ในพระราชอุทยานพระเจ้าโกรพยะทรงทราบดังนั้น มีพระประสงค์จะเสดไปเดี๋ยวนั้นเพื่อสนทนากับพระรัฐบาลจึงรับสั่งว่าของเคี้ยวของบริโภคต่างๆที่เตรียมไว้สําหรับสเสวยในส่วนนั้นขอให้แจกจ่ายไปให้หมดดังนี้แล้วรับสั่งให้เตรียมพระราชยานชั้นดีเสด็จออกจากทุลักโกตติตนิคมด้วยราชาุภาพอันยิ่งใหญ่เสร็จพระราชาเนินโดยกระ บ, บวนราชยาน ไปจนสุดทางเท่าที่พระราชพาหนะจะไปได้แล้วลงจาก ร, ราชยานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระราชบริพานชั้นสูงเข้าไปหาพระรัฐบาลทรงปราศัยพอให้ระลึกถึงกันและการแล้วประทับยืนหน้าที่อันสมควรแก่พระองค์อารัธนาให้พระรัฐบาลนั่งบนเครื่องราชที่เจ้าพนักงานตกแต่งไว้พระรัฐบาลถวายพระพรว่า เชิญมหาบาพิตรประทับนั่งเถิดอัตมาภาพนั่งที่อาสนะของตนดีอยู่แล้วพระเจ้ากรัพระยะจึงประทับนั่งบนอาสนะที่เจ้าพนักงานจัดถวายและตรัสขึ้นว่าท่านผู้เจริญเหตุวิบัติ4ประการทำให้บุคคลออกบวชกล่าวคือความแก่ความเจ็บป่วยความเสื่อมจากโภกทรพซ์และเสื่อมญาตแต่ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นความวบิติแม้แต่ประการเดียวในท่าน เทพไฉนท่านจึงออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เล่ามหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมุเทศไว้สี่ประการด้วยกันซึ่งอัตมาภาพได้ฟังแล้วได้รู้ได้เห็นแล้วจึงออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ธรรมุเทศสี่ประการนั้นคือหนึ่งโลกอยู่ภายใต้การครอบงำของความชราก้าวไปสู่ความชราไม่ยั่งยืน 2. โลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ 3. โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปและสโลกพร่องเป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นทาตแห่งตัรหามหาบาพิษอาตมาภาพได้ฟังได้เห็นธรรมุเทศทั้งสี่ประการนี้แล้วจึงได้ออกบวช พระเจ้ากรรยญาตรัสถามว่าข้อที่ว่าโลกถูกชราครอบงามไม่ยัง่งยืนนั้นมีเนื้อความเป็นอย่างไรมหาบาพิษก่อนนี้เมื่อพระองค์มีพระชน2 0หรือ25ปีก็ดีทรงคล่องแคล่วในเพลงช่างเพลงมา้าเพลงอาวุธมากมิใช่หรือทรงมีกำลังแขนแต่ความสามารถทางกายดีมากเคยทรงเข้าสงครามมาแล้วมิใช่หรือ อย่างนั้นท่านผู้เจริญแล้วก็เดี๋ยวนี้เล่าเป็นอย่างไรมหาบาพิษโอ้เพราะคุณเจ้าเดี๋ยวนี้ขบัเจ้าแก่แล้วล่วงการผ่านไว้มาโดยลำดับวัยของขบัเจ้าล่วงเข้าแปสิบแม้แต่ว่าจะเดินจะเหินก็ไม่คล่องแคล่วก้าวพิษก้าวถูกไม่ไหวจริงๆมหาบาพิษผู้อื่นเล่าถ้ามีอายุยืนถึงแปดสิบเก้าสิบปี จะเป็นเหมือนพระองค์หรือไม่เหมือนกันพระขุนชาติบางคนยังไม่ถึงแปสิบเลยแกงงอมยิ่งกว่าขา บ, บัเจ้าเสียอีกมหาบโิสถมหาบาพหสถทรงเห็นหรือไม่ว่าโลกหรือสัตว์ตวโลกทั้งหมดโน้มไปในชะลาโน้มไปเอ็งไปในชาราอัญชาราครอบงำย่ายีไม่ยั่งยืนไม่ทนอยู่ได้นานเลยดูก่อนจอมชนชาวกุรุความจริงมนุษย์และสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ก้าวไปสู่ความชราทุกลมให้ใจเข้าออกหรือทุกๆขณะแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายหรือความแตกดับไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เลยดูก่อนภูมิบดีด้วยเหตุนี้พระศ า, าสดาของข้าพเจ้าตรัสว่าความแก่และความตายตอนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนนายโคบานคนเลี้ยงโคตอนฟูงโคไปสู่ที่หากินอันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่า ชีวิตนี้ช่างน้อยนักมนุษย์มักจะต้องตายภายในอายุหนึ่งร้อยปีแม้ว่าจะมีอายุยืนกว่านั้นไปบ้างก็ต้องตายเพราะความชราเป็นแน่แท้ผู้ใคร่ความดีไม่พึงประมาทมัวเมาในเรื่องอายุควรวีบบำเพ็ญคุณงามความดีรีบดับทุกข์เหมือนคนที่มีไฟไหม้อยู่บนศรีรษะรีบดับเสยโดยพลันความตายจะไม่มาถึงนั่นเป็นอันไม่มีวันคืนล่วงไป ชีวิตก็สั้นเข้าไปทุกทีทุกทีเหมือนน้ำในแอ่งน้อยถูกแสงอาทิตย์แผดเผาย่อมพลันเกิดแห้งไปราวป่าเงียบสงัดพฤษชาติยืนต้นนิ่งเสมอหนึ่งว่าจงใจชะสะดับธรรมของพระเถระผู้เลิศทางออกบวช ด, ด้วยศรัทธาขณะนั้นใบไม้เหลืองใบหนึ่งได้หล่นลงเบื้องหน้าของผู้สนทนาทั้งสอง พระรัฐบาลได้หยิบขึ้นมาพิจารณาหน่อยหนึ่งแล้วก็ส่งถวายพระเจ้าโกรพยยมหาบาพิษทอดพระเนตรเถิดทั้งทั้งที่ลมก็ไม่ได้พัดเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าใบไม้นี้ก็ร่วงลงมาได้เพราะความแก่รอบไม่อาจดำรงอยู่ได้ในสภาพเดิมดูเถิดมหาบาพิษโลกอัญชารานำไปก้าวไปสู่ชราไม่ยัง่งยืยนใบไม้นี้เดิมทีก็เป็นใบอ่อน แล้วก็เป็นใบแก่และเหลืองเหลืองจัดและก็สุดท้ายก็หล่นลงมาชีวิตก็เป็นเช่นเดียวกันควรรีบบำเพ็ญคุณงามความดีไม่ควรประมาทพระเจ้ากรรภพยะน้อมพระเสียนลงหน่อยหนึ่งแล้วตรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอัศาจรรย์จิงอาศาาัศจรแท้ๆที่พระพุทธองค์ตรัสว่าโลกก้าวไปสู่ชราไม่ยั่งยืนพระคุณเจ้าในธรรมุทเทศข้ออื่นๆ มีเนื้อความเป็นไฉไนขอพระขุนเจ้าได้โปรดแสดงเพื่อเป็นมงคลแก่โสดของข้าพเจ้า ด, ด้วยเถิดหลับตาอยู่ครู่หนึ่งตา ร, รัฐบาลก็ถวายวิสัชนาว่ามหาบาพิษข้อที่ว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่นั้นเพื่อความชัดเจนอัตมาภาพขอทูลถามถึงสิ่งที่เกิดประจักษ์แก่พระองค์ก่อนทรงเห็นอย่างไร ก็ขอให้พระองค์ทรงตอบอย่างนั้นมหาบาพิษพระองค์เคยทรงประชวรหนักๆบ้างหรือไม่เคยพระกุนเจ้าบ่อยไปเมื่อข้าพเจ้าป่วยหนักนั้นญาติสาโรยหิตมิสหายอมาตรราชบริพารต่างๆก็ได้มาห้อมล้อมอย่างใกล้ชิดบางคนก็คิดวิตกว่าข้าพเจ้าโกรับพระยะอาจจะสวรรคตในบัตนีแล้วมหาบาพิษ มีใครสามารถแบ่งทุกขเวทนาของพระองค์ไปได้บ้างไหมไม่เลยพระขุนเจ้าข้าพเจ้าต้องเสวยทุกขเวทนาแต่เพียงผู้เดียวข้าพเจ้าปรารถนาปรารถนาความสุขสําราญหรือว่าความหายจากโรคเพียงใดก็หาสําเร็จสมปรารถนาไม่จนกว่าว่าโรคจะทุเลาลงด้วยโอสุดอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นี่แลมหาบพพิธนี่คือความหมายแหง่งภาษิตที่พระศาสดาตรัสว่า โลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ดูก่อนภูมิบดีพระศาสด า, าได้ตรัสอีกว่าสัตว์ที่เกิดแล้วต้องเผชิญภัยใหญ่คือความตายทุกคนผลไม้ทุกชนิดเมื่อสุกแล้วย่อมหล่นจากต้นผ้าชนะดินทุกชนิดมีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉนนั้นมีความตายเป็นที่สุด เมื่อความตายมาถึงเขา้าใครเล่าจากต้านทานได้เมตอมาตยตาาิสาโลหิตทั้งหลายก็ได้แต่นั่งมองหรือรำพันคำสดปริเทวนาการเขาต้องไปจะ่เพียงผู้เดียวโดยแท้นี่แลมหาบพิตรโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ท่านผู้เจริญข้อว่าสัตวะโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนั้นมีความหมายเป็นอย่างไร มหาบาพิษบัดนี้พระองค์ทรงอิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยการบุลทั้งห้าเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจกนำเอาทรัพย์สินสมบัติบุรุษสตรีปราสาทราชวังไปในโลกหน้าได้หรือไม่ไม่ได้เลยพระขุนเจ้าต้องละทิ้งแว้คนอื่นหรือให้เป็นสมบัติของโลกต่อไปมหาบาพิษนี่แหละสัตวโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจาต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไ ป, ปราชัน พระบรมศาสดายังตรัสไว้อีกว่าเมื่อบุคคลเข้าไปยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนเขาย่อมเศร้าโศกเสียใจเพราะความเปลนแปลไปของสิ่งนั้นๆสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงมีความแปลปรวนเป็นธรรมดาสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมมีความพลัดพรากเป็นที่สุดคือในที่สุดก็ต้องพัดพรากจากกันไปข้อนี้ก็แสดงว่าสัตวะโลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปราชนพวกขสมบัติทั้งหลายละทิ้งบุคคลไปก่อนเพราะแตกทํำลายบ้างบุคคลละทิ้งพวกขสมบัติไปก่อนในเพราะความตายบ้างรู้ดังนี้แล้วจึงไม่ควรเศร้าโศกในเพราะความพลัดพรากดวงจันทร์เต็มดวงบ้างเว้าแหวงบ้างมืดมิดบ้างฉันใดบุคคลในโลกนี้ก็ฉันนั้นได้สิ่งต่างๆเต็มความปรารถนาบ้าง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 ไม่หวงแหนสิ่งใดเมื่อเป็นดังนี้ความเศร้าโศกรำพันย่อมไม่มีในมุนีนั้นเหมือนน้ำไม่ติดในใบบัวและใบบัวก็ไม่ติดน้ำพระคุณเจ้าข้อที่ว่าสัตวโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นาธาตุของตันหานั้นมีความหมายเป็นอย่างไรมหาปิพิตรบัดนี้พระองค์ทรงปกครองกุรุรัตนเจริญอยู่ มีราชบุรุษที่มีวาจาพอเชื่อถือได้มาจากทิศทั้งสี่ของกรุรัตนี้กราบทูลว่าในทิศนั้นนั้นมีชนบทใหญ่มั่งข่งเจริญมีคนมากมีสัตชนิที่ฝึกแล้วมากมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเหลือเกินในชนบทนั้นมีสตรีปกครองพระองค์อาจจะรบชนะได้ด้วยกําลังพลประมาณเท่านี้เท่านี้มหาปปิษฐมหาปพิษฐทรงทราบแล้วจะทําอย่างไร ข้าประชาคิดว่าจะไปรบแพ้ชนะแล้วก็ครอบครองชนบทนั้นนั้นนี่แหละมหาบาพิษสัตว์วัโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นาธาตุของตัญหาดูก่อนราชนมนุษย์ทั้งหลายพากันแสวงหาสิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งที่ตนเข้าใจว่ายังขาดทั้งทั้งที่หาได้ขาดจริงจริงไหมไม่มยังไม่ได้เพกระสับกระสายกระวนกระวายเร่าร้อน เมื่อได้มาแล้วก็หมกมุ่นพัวพันติดอยู่ตกเป็นทาตของสิ่งนั้นไม่เป็นอิสระไม่เป็นกลางหวงแหนเฝ้าพิทักษรักษาด้วยใจที่จดจ่อกังวลเวิทยาอาฆาตผู้อื่นเพราะอาศัยสิ่งที่ตนได้มานั้นเป็นปัจจัยเมื่อสิ่งนั้นพลัดพรากก็เศร้าโศกรำพันเตียใจดูก่อนภูมิบดีความพอจะไม่มีท่ามนุษย์ไม่จำกัดขอบเขตแห่งความพอของตนไวมนุษย์ส่วนมาก ไม่ได้จำกัดขอบเขตแห่งความพอไว้สิ่งที่ได้มาจึงเป็นเสมือนเชื้อไฟเพิ่มให้ความต้องการอย่างใหม่ๆเกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นกะเถิไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ได้พากันสแสวงหาสิ่งภายนอกมาบำรุงบำเรอตนก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยพบจุดอิ่มเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อเขาจะไม่พบความสงบสุขหรือความสมปรารถนาที่ถาวรแท้จริงได้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 สุดท้ายมัจจุราชก็มาเยือนและดึงตัวเขาไปญาติทั้งหลายก็พากันคลาำครวนคลุมเขาผู้ตายแล้วด้วยผ้านำไปสู่เชิงตะกอนเขาละทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงไปญาติพี่น้องบริวาณต้านทานไว้ไม่ได้เข้ามาคนเดียวและก็จากไปคนเดียวตามกรรมของตนของตนคือผู้สั่งสมบาปไว้ย่อมต้องประสบทุกข์ในโลกหน้าส่วนผู้สั่งสมบุญไว้ ย่อมประสบสุขในภพหน้าบุญบาปต่างหากที่จะติดตามเขาไปเป็นสมบัติของเขาหาใช่ทรัพย์สมบัติภายนอกใหม่ด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์แล้วจึงควรสั่งสมกรรมดีไม่ควรเบื่อหน่ายในการสั่งสมกรรมดีเลยเมื่อพระรัฐบาลกล่าวจบลงพระเจ้าโกรพระยยาจึงตรัสว่าอัศจรรย์จริงทรัตบาลอัศจรรย์จริงข้อที่ท่านกล่าวว่า สัตวโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่มีผู้เป็นใหญ่ก็ดีสัตวโลกไม่มีอะไรเป็นของตนล้วนต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปก็ดีสัตวโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นาธาตุของตันหาก็ดีล้วนเป็นความจริงที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิน้นพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสวากขาธรรมคือธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วโดยแท้เป็นนิยานิกรธรรม ที่นำออกจากทุกได้โดยแท้จริงแสงแดดอ่อนลงมากแล้วบริเวณราชุทยานเรื่อนลมมากขึ้นยังความเรื่อนลมให้เกิดแก่กายและแก่จิตของชีวิตทั้งหลายที่อาศัยอยู่นะราชุทยานนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าโกรพยะพระองค์ทรงโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทรงสดับธรรมุเทศอันเป็นสัจธรรม ที่อำนวยประโยชน์แก่ผู้เพ่งธรรมไม่ใช่น้อยพระรัฐบาลอาศัยราชจุทยานมิคาจิระตามสมควรแล้วก็จาริกไปตามอัตยาศัยประดุดเนื้อที่ไม่ติดบ่วงเที่ยวไปในป่าอย่างเสรีตามปรารถนาพระรัฐบาลได้รับการยกย่องจากพระสุคตเจ้าว่าเป็นเอตถคะผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายผู้ออกบวชบวยศรัทธา ด้วยประการรัชนี